สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิชาวิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟเยซูตอนที่506เยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่11เสียงครับเราอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่5นะครับ2 2ข้อสุดท้ายครับในเช้าวันนี้โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมทุปปกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรง เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฝังพระองค์โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกเพียงครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของเมลคีเสเดกว่าเมลคีเสเดกนั้นเป็นปุโรหิตที่ลึกลับนะครับมาแบบเหนือธรรมชาตินะครับและปุโรหิตแบบเมลคีเสเดกเนี้ยนะครับก็เปรียบเทียบนะครับเป็น พระเยซูจึงได้มีทฤษฎีที่บอกว่าพระเยซูนั้นคือเมลคีเสเดกเมลคีเสเดกก็คือพระเยซูพระเยซูปรากฏตัวเป็นปุโรหิตแบบนะครับเมลคีเสเดกในรูปของเมลคีเสเดกในพัมพีเดิมครับพระเยซูก็ปรากฏตัวในรูปของมหาปุโรหิตหรือปุโรหิตในพัมพีใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือ ทฤษฎีนะครับที่เป็นการคาดคเนคาดการของนักวิชาการนะครับเราก็พูดต่อไปในเมื่อวานนี้ว่าพระเยซูนั้นมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทั้งหลายนะครับพระองค์ต้องอธิษฐานพระองค์ต้องทูลวิงวอนพระองค์หลั่งน้ำตานะครับกันแสงพระองค์เอาชนะสิ่งต่างเหล่านี้ได้ด้วยการเชื่อฟังครับ แม้ว่าพระองค์จะมีความทุกข์ยากลําบากที่พระองค์ต้องแบกอยู่แต่พระองค์ก็เรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังเครับผมมาทับใจคํานี้ครับในข้อที่แปดว่าพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังในพระบมพียฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้บันทึกอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลาบาก โครงได้ส่งทนพี่น้องครับการเชื่อฟังนี้จะต้องเรียนรู้ครับถามว่าทําไมต้องเรียนรู้ครับเหมือนกับเด็กๆครับเขาเนี่ยไม่อยากเรียนรู้ในช่วงแรกๆเพราะเขาอยากจะทําตามใจของเขาเองแต่เมื่อเขาเรียนรู้ว่าการเชื่อฟังนั้นทําให้ชีวิตเขาอยู่รอดปลอดภัยนะครับเขาก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่นะครับ แต่เมื่อเขาไว้วางใจผู้ใหญ่ไว้วางใจพ่อแม่แล้วเขาก็จะเพิ่มการเชื่อฟังมากขึ้นเพราะเขาเกิดการเรียนรู้ชีิตฝ่ายกิริญญาณของเราก็เหมือนกันนะครับเราเองนั้นไปคาดหวังให้คนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆยอมเชื่อฟังนะครับมากๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะการเชื่อฟังนั้นเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งครับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งพี่น้องครับ พระเยซูเองนั้นในความเป็นมนุษย์ในความอ่อนแอของพระองค์นั้นพระองค์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังในการที่เราจะ เ, เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องเราต้องเรียนรู้ด้วยการเชื่อฟังเรียนรู้ที่จะนอบน้อมด้วยการเชื่อฟังเราก็จะเชื่อฟังมากขึ้นครับเพราะเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์การเชื่อฟังแล้วนะครับผมจะไปถึงประเด็นต่อไปนะครับที่สําคัญก็คือว่าพระเยซูนั้น โปร่งถูกนะครับทําให้สมบูรณ์ในข้อที่เก้านะครับในข้อที่เก้าพูดถึงนี้ว่ า, วาเมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อมสุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์ข้อนี้ครับมีความหมายว่าเมื่อองค์พระวิญญาพระเยซูของเรานั้นทรงผ่านพ้นความหวาดหวั่นความกลัวความตายที่พระองค์กำลังจะเจอในไม่ช้ามาได้ พระองค์ก็ไม่เพียงทรงเชื่อฟังเท่านั้นแต่ยังทรงถูกทำให้เพียบพร้อมตุบรกการด้วยนะครับความเพียบพร้อมตุบอกการนั้นมีความหมายว่าพระองค์ถูกทำให้สมบูรณ์แบบครับพระองค์ถูกทำให้โตเป็นผู้ใหญ่พี่น้องครับเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังนะครับเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังเราเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังพระเจ้าจะช่วยเราครับในเราเห็นในข้อที่เก้านี้ เมื่อพระเยซูเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูก็ถูกทําให้เพียบพร้อมทุกประการฉันใดฉันนั้นครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมเชื่อฟังพระเจ้าจิตวิญญาณของเราจะเติบโตครับและเราจะถูกทําให้เพียบพร้อมทุกประการก็คือถูกทําให้ชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์แบบและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่สําคัญมากครับ ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการเชื่อฟังเราจะต้องมีประสบการณ์ในการเชื่อฟังเพื่อที่เราจะเชื่อฟังมากขึ้นเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะถูกทำให้ถูกทาให้เพียบพร้อมตุบอกการครับถูกทำให้สมบูรณ์ชีวิตของเราโตเป็นผู้ใหญ่คำนี้ครับมีความหมายว่าประการแรกครับการทนทุกข์การต่อสู้กับปัญหาต่างๆพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะครับ การทนทุกข์และการต่อสู้กับปัญหาต่างๆด้วยความเชื่อฟังนั้นพัฒนาคริสเตียนสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณประการที่สองครับเราเห็นว่าองค์พระนเจ้าของเรานั้นทรงทนต่อความเจ็บปวดและมีความรู้สึกหวาดหวั่นต่อความตายเหมือนกับที่พวกเรารเผชิญเพราะฉะนั้น ประเด็นที่สองก็คือว่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงสามารถเห็นอกเห็นใจและสงสารเราได้เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิตเผชิญกับความตายประการที่สามครับพระองค์ได้ถูกทําให้สมบูรณ์ด้วยทุกประการในความเป็นมนุษย์ของพระองค์เพราะการทนทุกข์ในสวนเก็บเสและที่แมงเขนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้จัดการความรอดของเราครับพระองค์จัดเต็มครับนะฮ เพื่อประทานความรอดของเราซึ่งเป็นความรอดนิดรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ครับคำว่าเชื่อฟังพระองค์ในความหมายนี้แปลว่าตั้งใจฟังครับด้วยความถ่อมใจนะครับตั้งใจฟังด้วยความถ่อมใจมีความหมายก็คือว่าความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีให้กับคนทั้งปวงที่ตั้งใจเชื่อฟังพระองค์ครับ เราเห็นตรงนี้ครับว่าการเชื่อฟังนั้นก็เป็นเรื่องของความตั้งใจการเชื่อฟังนั้นนอกจากเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับความเชื่อฟังนั้นก็เป็นเรื่องของความตั้งใจนะครับในข้อที่สิบครับคือเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้โดยพระเจ้านั้นพรงได้ทรงตั้งพระเยซูให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเจเดก นะครับพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเสดกตําแหน่งมหาปุโรหิตหรือตําแหน่งปุโรหิตของพระเยซูนั้นถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งครับพระเยซูทรงได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสดกไม่ได้ตามอย่างของอารอนข้อสิทธิ์นั้นถือว่าเป็นการสนะรุปนับ ของวันนี้พระเยซูนะครับอยู่ตลอดไปเป็นนิดเหมือนกับที่เมลคีเสเดกนะครับอยู่ต่อไปเป็นนิดนะฮะแต่ปุโรหิตแบบอารอนนะครับก็ตายไปทุกคนนะฮะดังนั้นพระเยซูจึงอยู่เหนือตำแหน่งปุโรหิตแบบอารอน โดยที่พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตแบบเมลทีเสด็จขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในในการที่เราจะเข้าใจความหมายของการที่พระเยซูคือมหาปุโรหิตนะครับอาเมน